เกี่ยวกับทักกีนาและทักกีไนนี้รวมทั้งเรื่องฐานบางแง่รวมอยู่ในหลักการใหญ่ทางสังคมข้อหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือการให้มีชุมชนอิสระอยู่ชุมชนหนึ่งในสังคมมนุษย์ซึ่งไม่ขึ้นต่อระบบต่างๆในสังคมส่วนใหญ่ชุมชนนี้แลกเอาความเป็นอิสระของตนด้วยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆในสังคม และไม่วุ่นกับสถาบันต่างๆที่กำหนดกันไว้ของสังคมนั้นโดยตรงชุมชนนี้มีระบบความเป็นอยู่ของตนเองที่อาศัยความมีจิตใจอิสระเป็นพื้นฐานและเกื้อกูลแก่สังคมด้วยการดำรงสืบทอด ร, รมให้แก่สังคมและด้วยระบบชีวิตที่เป็นอิสระนั้นสมาชิกของชุมชนนี้ไม่รับเอาผลประโยชน์ตอบแทนการทำงานของตนเป็นอยู่เพียงด้วยทักกินา อันเกิดจากการเจียดส่วนอุทิศบูชาธรรมของคนในสังคมใหญ่ในรูปที่เรียกว่าบินทบาทเป็นต้นโดยไม่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่ความเป็นอยู่หรือชีวิตประจำวันของเขาเป็นเหมือนหมู่พึ่งที่เที่ยวสัญจรไปเก็บรวบรวมเกสรและน้ำหวานจากน า, นานาพันไม้มาทำน้ำพึ่งและสร้างรังของตนโดยไม่ทาดอกไม้ให้ชอกชำ้ำแม้แต่สีและกลิ่น ก็ไม่ให้เสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็ช่วยให้พืชพันธ์ต่างๆเจริญ ง, งอกงามขยายพันธุ์แพร่หลายออกไปการที่คนในสังคมใหญ่เจียดส่วนอุทิศบูชาธรรมนั้นหมายถึงการฝึกหัดขัดเกลากิเลสเช่นความโลภเป็นต้นและช่วยอุดหนุนการดำรงสืบทอดธรรมสมาชิกของชุมชนคือสังฆะหรือพระสงฆ์นี้อาศัยผู้อื่นทั่วๆไปเป็นอยู่จึงมีพันธะโดยธรรม และจึงเป็นอิสระที่จะประพฤติเพื่อประโยชน์สุขของคนทั่ ว, วไปชีวิตของท่านขึ้นต่อทุกคนแต่ไม่ขึ้นต่อใครเลยท่านอาศัยทุกคนจึงเป็นของทุกๆคนแต่ไม่เป็นคนของใครเลยในสังคมที่จัดสรรความเป็นอยู่โดยชอบแล้วไม่พึงมีคนยากไร้จึงไม่มีคนขอทานในสังคมเช่นนั้นจะมีแต่สมาชิกของชุมชนอิสระนี้พวกเดียว ที่ถือว่าตนเป็นอยู่โดยอาศัยผู้อื่นด้วยทักกินาเช่นบินทบาทโดยที่บินทบาทนั้นหาใช่เป็นการขอทานแต่อย่างใดไม่หลักการทางสังคมในเรื่องชุมชนอิสระที่เป็นส่วนพนวกอันจาเป็นสำหรับสังคมที่ดีงามอย่างนี้ยังไม่มีในลัทธินิยมทางสังคมเศรษฐกิจหรือการเมืองอื่นใดหลักการนี้มีรายละเอียดอย่างไรการบินทบาทเป็นต้น มีความหมายแท้จริงอย่างไรเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแยกกล่าวไว้เป็นบทหนึ่งต่างหากตามแต่จะมีโอกาสต่อไป